เรื่องของจันทรากุมารียังมีแง่คิดอีกหลายอย่างแต่สำหรับในฉบับนี้ข้าพเจ้าจะขอยุติไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนแต่อย่างไรก็ดีขอให้ท่านผู้อ่านโปรดนึกถึงหลักที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้แล้วว่าในขณะที่ตายนั้นถ้าหากจิตใจไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นอันหวังได้คำว่าไม่เศร้าหมองในที่นี้หมายความว่า ไม่มีความห่วงใยไม่มีความวิตกกังวลแต่มีความแจ่มใสและมีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องชีวิตนี้และชีวิตหน้าอันหนึ่งการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นั้นก็เพราะโดยธรรมดาการรักษาโรคโดยการรับประทานยาเข้าไปแล้วโรคหายนั้นความจริงก็เป็นการรักษาด้วยอนานาจจิตนั่นเอง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 แม้จะเห็นอยู่ชัดๆด้วยตาว่าโรคหายด้วยยาก็จริงแต่ความจริงแท้ๆนั้นก็คือโรคหายด้วยอำนาจของวิญญาณซึ่งมีอยู่ในตัวยานั้นๆนั่นเองอันที่จริงสำหรับคนที่ต้องการจะเข้าใจเรื่องการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตนั้นจะต้องพยายามศึกษาเรื่องวิญญาณในวัตถุให้เข้าใจจนกระทั่งยอมรับว่า ในวัตถุทุกอย่างมีวิญญาณเพราะถ้าไม่ยอมรับความจริงข้อนี้แล้วก็ไม่อาจที่จะรู้ว่าโรคหายด้วยอํานาจของวิญญาณนั้นเป็นไปได้อย่างไรและเรื่องวิญญาณในวัตถุนี้ข้าพเจ้าก็ได้เคยเขียนมามากแล้วขอให้ย้อนไปอ่านในเรื่องวิญญาณเล่มต้นๆแต่อย่างไรก็ดีประเด็นที่สําคัญที่สุดที่จะต้องทําความเข้าใจให้ดีก็คือคุณสมบัติของวัตถุ ก็คืออำนาจของวิญญาในวัตถุที่แสดงออกมาการศึกษาให้รู้ถึงสรร พ, พคุณของตัวยาต่างๆก็คือการศึกษาให้รู้ถึงอำนาจของวิญญาในวัตถุนั้นๆขอให้นึกถึงทฤษฎีขั้นมูลฐานวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงประเสริฐกว่าสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงสำเร็จมาแต่วิญญาณ วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามอำนาจของสิ่งสิ่งเดียวคือจิตหรือวิญญาณทฤษฎีต่างๆเหล่านี้เป็นทฤษฎีขั้นมูลฐานซึ่งข้าพเจ้าได้อธิบายมาแล้วอย่างมากมายถ้าหากใครจะไม่เข้าใจว่าคุณสมบัติของวัตถุ ก, ก็คืออำนาจของวิญญาณในวัตถุ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 จึงเป็นการจำเป็นที่จะต้องหาวัตถุที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับที่เป็นโครงสร้างของอวัยวะเข้ามาชดเชยคล้ายกับว่ากำแพงตรงนี้ทะลุเป็นรูเราก็ต้องไปหาอิฐหาปูนอย่างเดียวกันเข้ามาชดเชยหรือเอามาซ่อมแซมและต้องเป็นของชนิดเดียวกันกับที่มีอยู่แล้วกำแพงตรงนั้นก็จะหายจากการเป็นรูและมีสภาพเหมือนเดิม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 เช่นคนที่จะสามารถระลึกชาติได้ก็หมายถึงสามารถปรับปรุงวิญญาณในสมองให้มีคุณภาพพิเศษผิดไปจากคนธรรมดาซึ่งในเมื่อวิญญาณมีอำนาจพิเศษเกิดขึ้นแล้วก็หมายถึงเซลล์ในสมองก็มีโครงสร้างพิเศษเปลี่ยนไปตามด้วยและด้วยเหตุนี้จึงสามารถระลึกชาติได้หรือสามารถที่จะมีหูทิฟตาทิฟเกิดขึ้นและถ้าหากจะมีนักวิทยาศาสตร์คนใด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 เมื่อรู้ว่าจะมีของซึ่งมีคมผ่านเข้าไปในเนื้อซึ่งกําลังจิตตามปกติไม่สามารถที่จะสร้างความเหนียวแน่นหรือความต้านทานให้เกิดขึ้นได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องเพิ่มอำนาจจิตลงในเซลล์ที่จะต้องถูกมีดให้มากขึ้นกว่าเดิมครั้นแล้วโครงสร้างของวัตถุคือเนื้อในบริเวณนั้นก็จะมีความเหนียวเกิดขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนผลที่ได้รับก็คือมีดกรีดไม่เข้า ในกรณีที่คนเราเกิดมามีอำนาจต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันอยู่ในกฎอันเดียวกันกับกฎตามที่กล่าวมาแล้วกล่าวคือสำหรับบางคนซึ่งวิญญาณมีคุณสมบัติพิเศษมาตั้งแต่ก่อนปฏิสนธิเมื่อมาสร้างร่างกายก็จะสร้างขึ้นมาในรูปพิเศษผลที่ได้รับก็คือมีความแข็งแรงมีความต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บได้ดี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 วิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตอันหนึง่งโปรดจำไว้อย่างหนึ่งว่าการรักษาโรคโดยอาศัยอำนาจทางวิญญาณไม่อาจจะทำได้ทุกอย่างแม้ว่าผู้ทำการรักษาจะมีอำนาจจิตสูงที่สุดเหมือนกับพระพุทธเจ้าก็ไม่อาจจะรักษาโรคได้ทุกอย่างเช่นเดียวกับพระพุทธองค์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 ซึ่งเปรียบเหมือนกับคนที่โง่ามากที่สุดจะพูดจะแนะนำอย่างไรเขาก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและด้วยเหตุนี้เองการรักษาโรคโดยอำนาจทางจิตจึงไม่ได้ผลยิ่งคนที่มีอำนาจจิตอ่อนด้วยแล้วแม้ในรายที่อาจจะรักษาได้ด้วยอำนาจจิตก็ไม่อาจจะรักษาได้และคนที่มีอานาจจิตสูงจริงๆก็หายากมากด้วยเหตุนี้จึงต้องหันไปใช้วิธีธรรมดา คือการรักษาโรคด้วยการใช้ ย, ยาหรือโดยอาศัยวิธีการทางวัตถุเช่นการนวดการประคบการเข้าเฝือการผ่าตัดอะไรทานองนี้เป็นต้น <Okay, S 1> เมื่อพูดถึงหลักเกณฑ์โดย ท, ทั่วไปแล้วการรักษาโรคจะได้ผลจริงๆต้องอาศัยวิธีทางวัตถุทั้งนี้ก็เพราะว่าวัตถุกับวัตถุซึ่งถ้ารู้จักเลือกเราก็จะพบว่า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 การรักษาโรคโดยอาศัยวิธีทางวัตถุที่ว่าได้ผลดีกว่าก็เพราะว่าถ้าเรารู้จักเลือกสรรวัตถุได้เหมาะสมอำนาจของวิญญาณในวัตถุอย่างหนึ่งจะมีผลหรือออกฤทธิ์ต่อวิญญาณในวัตถุอีกอย่างหนึ่งได้ดีกว่าที่จะใช้อำนาจจากวิญญาณขั้นสูงเข้าไปเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเทียบเคียงที่เห็นได้ง่ายก็เช่นมดที่เดินตามกันเป็นแถวๆนั้น ถ้าหากเราซึ่งเป็นมนุษย์จะบอกให้มันเดินไปทางนั้นทางนี้หรือให้มันทำอย่างนั้นอย่างนี้จะเห็นได้ว่ายากที่จะทำได้แต่ถ้าเราใช้มดที่เป็นหัวหน้าของมันนำมันจะทำตามได้ง่ายกว่าเพราะโดยธรรมชาติถ้ามดที่เป็นตัวหัวหน้าเดินไปทางไหนลูกน้องก็จะเดินตามไปทางนั้นตัวอย่างเช่นนี้คนที่ไม่ใช่เป็นนักคิดก็มักจะมองข้ามไป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 กำลังงานทุกอย่างในร่างกายเกิดขึ้นจากการเผาผลาญและกําลังงานที่ว่านี้หมายถึงความรู้สึกนึกคิดซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจด้วยข้อพิสูจน์ที่เห็นได้ชัดก็คือถ้าโลหิตไม่เป็นเลี้ยงสมองเพียงชั่วขณะเท่านั้นความรู้สึกในสมองก็จะดับวูบไปในทันทีคือเกิดอาการสลบหรือบางทีถ้าหยุดอยู่นานก็ถึงตายไปเลย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 อำนาจทางอยูโยงคงกระพันจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และเหตุไรการทำร้ายกันด้วยอานาจทางจิตจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หลักวิชาต่างๆเหล่านี้จะต้องศึกษาให้เข้าใจด้วยเพราะถึงแม้ว่าการรักษาโรคทางยาทำให้โรคหายได้ก็จริงแต่ก็ควรจะต้องใช้วิธีทางจิตเข้ามาประกอบด้วยเสมอเช่น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 คนคนนี้จะรักษาหายหรือไม่หายจะหายเมื่อไรหรือว่าจะต้องตายภายในระยะเวลาเท่าไรและควรจะรักษาด้วยวิธีไหนจึงจะได้ผลการวิเคราะห์โรคโดยอาศัยวิธีทางสมาธิขั้นสูงนี้จะทำได้ก็เฉพาะผู้ที่ได้อภิญยาเช่นสามารถระลึกชาติได้อย่างนี้เป็นต้น การศึกษาให้เข้าใจถึงวิธีการรักษาโรคทางจิตอย่างลึกซึ้งประโยชน์ที่จะได้รับจริงๆก็คือจะทำให้เขาผู้นั้นรู้แน่นอนถึงวิธีที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและมีอายุยืนยาวตามความปรารถนาการศึกษาถึงเรื่องร่างกายและเรื่องโรคภัยไข้เจ็บตามวิธีทางแพทย์อย่างที่ศึกษากันอยู่ทุกวันนี้ต่อให้มีความรู้วิเศษสักเพียงไร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 คือต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างความอ่อนแอซึ่งมีอยู่ในสันดานวิบากของความวิตกกังวลวิบาสของความกลัวพวกจุดอ่อนต่างๆเหล่านี้ถ้าหากยังมีอยู่ในวิญญาณโรคภัยไข้เจ็บจะต้องเกิดขึ้นได้เสมออย่าลืมว่าสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแก่ร่างกายหรือเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้ว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 คือต้นเหตุที่แท้จริงของสุขภาพทางร่างกาย